สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดเรื่องของประทานฝ่ายพระวิญญาณพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะนาพี่น้องได้เข้ามาพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับของประทานฝ่ายพระวิญญาณนั้นต้องเป็นการอัศจรรย์เสมอไปใช่หรือไม่ บางคนอ า, อาจจะแปลกใจกับคําถามนี้นะครับเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนครับว่าของประทานแห่งพระคุณหรือของประธานฝ่ายจิม ญ, ญ, ญานี้เกี่ยวยงกับการอธิจรรย์แต่ก็จําเป็นที่จะต้องเคลียรเรื่องนี้ครับเพราะว่ามีบางคนอาจจะยึดแล้วก็มีความเชื่อว่าของประทานฝ่ายจิญญาน ห, หรือของประทานแห่งพระคุณนั้นคล้ายคลึงกับการอศัศจรรย์บ้างไม่มากก็น้อยหรือบางคนอาจจะเหมาไปว่าของประทานฝ่ายจิมญานั้นจะต้องเป็นการอัศจรรย์เสมอ คำตอบในเรื่องนี้นะครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการย้ำว่าของประทานมีบางอย่างนะครับห่างไกลาจากการอัศจรรย์มากจากเมื่อวานนี้เราได้พบกับความจริงอย่างหนึ่งครับก็คือว่าของประทานในในพระกัมปีนั้นมี20อย่างนะครับแล้วก็ไม่ทพียอย่างครับที่เป็นของประทานเกี่ยวกับเรื่องของการอัศจรรย์เหนือธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นยังมีของประทานนอกเหนือจาก20อย่างนะครับ ที่ผมได้ยกตัวอย่างแล้วก็คือว่าบางคนอาจจะมีของประทานเรื่องของการแต่งกลอนแต่งเพลงนะครับเพลงฮิมนะครับหรือการแต่งกลอนบางอย่างหรือมีของประทานเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องไอทีต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นของประทานได้เพราะฉะนั้นของประทานนั้นมีทั้งจัดอัศจรรย์และมีทั้งออยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมีสองอย่างก็คืออยู่เหนือธรรมชาติ นะครับแล้วก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติซึ่งอะไรที่เป็นเรื่องของภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติมันก็จะคล้ายคล้ายกับความสามารถหรือพรสวรรค์นะครับของคนที่ไม่ได้เป็นคุณเตียนบางครั้งอาจจะเป็นเห็นเป็นเรื่องของธรรมดาหรือจําเจไม่มีอะไรโออาน่าตื่นเต้นตื่นใจนะครับยกอย่างเช่นของประทานด้านการสอนการหนุนใจบางคนมีของประทานเรื่องของการถวายทรัพย์บริจาคเงิน หรือบางคนอาจจะมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พี่น้องครับจากตรงนี้นี่เอ ง, เองะฮะทำให้เราก็ต้องยอมรับว่าของประทานฝ่ายจิมยานั้นมีอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือหนึ่งการอัศจรรย์นะครับสองไม่อัศจรรย์ครับแต่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติของประทานเช่นการประกอบด้วยความรู้นะครับหรือการมีความเชื่อนะ ก็จะเป็นเรื่องราวที่ครอบคลุมการอัศจรรย์หรือไม่นั้นก็อยู่ที่เนื้อหาสาระของความเชื่อตรงนั้นนะครับการตีความตามปกติก็คือความรู้หมายถึงสติปัญญานะครับอาจจะครอบคลุมถึงความรู้พิเศษนะอาจจะมีการรู้ล่วงหน้าหรืออาจจะมีการอย่างรู้บางสิ่งบางอย่างพิเศษมากกว่าคนอื่นอันนั้นก็จะเป็นของประทานที่เกี่ยวข้องกับอัศจรรย์แหนะครับหรือความเชื่อก็เหมือนกันครับความเชื่อปกติกับความเชื่อพิเศษในระดับหนึ่ง ซึ่งเหนือกว่าคนอื่นๆนะครับก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เรารู้ว่าในของประทานอย่างเดียวกันนั้นก็อาจจะมีทั้งสองอย่างก็คือมีของประทานที่อยู่ใต้กฎธรรมชาติและอยู่เหนือกฎแทบในของประทานเดียวกันนะครับตัวอย่างครับเช่นการปฏิบัติทั้งอัคคตูตเปาโลอัคคตูตเปโตนะครับก็ถือว่าเป็นของประทานฝ่ายจิตวิญญาณอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราดูนะครับในรากศัพท์คําว่าการปฏิบัตินั้น ก็คือเป็นคากริยาเนี่ไดอาโคเนีย er, นะครับซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงงานที่เป็นสีบานงานที่เป็นผู้รับใช้คนเล็บชะรับคนรับใช้หรือตําแหน่งมัคนายกในโบสก็คือไดอะคอนอสหรือไดอะคเนียนั่นเองนะครับคนที่เป็นไดอะคเนียนะครับก็คือสีบานมัคนายกนะครับหรือผู้รับใช้ที่อยู่ในเครื่องจักรคือคนที่คอยรับใช้ขณะรับประทานอาหารครับก็คือเหมือนบหว้ครับเหมือนเด็กเดินโต๊ะนะครับทำคำนี้ เมื่อกล่าวถึงในในบ้านเรือนนะครับก็คือคนคขที่ดูแลงานบ้านงานเรือนเช่นมาทาต้องดูแลงานบ้านงานเรือนเพราะฉะนั้นมาทาก็ใช้คำว่า d ด a g n o s ได้อัครทูต ป, ปาโลนะครับได้เขียนในหนึ่งโครนินที่สิบสองข้อสิบแปดนะพูดถึงของประธานแห่งพระคุณสองอย่าง ก, กันก็คือผู้อุปการะนะครับและผู้ครอบครองผู้อบปการะนั้นมี ่ความหมายว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับผู้ครอบครองก็มีความหมายว่าเป็นคนที่ดูแลนะครับหรือคนถือหางเสื้อคนนําร่องหรือกัปตันเรือนะครับภาษากรีกของคําว่าผู้ที่ดูแลนั้นก็เปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้บริหารครับหรือผู้จัดการนะครับ Administrator นะครับอันนี้คือคนที่ดูแลหรือนําหรือปกครองคนอื่นตรงนี้นะครับบางคนก็ถือว่า ต้องเกี่ยวข้องกับการอัศจรรย์บางคนก็บอกว่าไม่ยังเป็นต้องเกี่ยวอันนี้แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่การตีความหมายของแต่ละคนยังไงก็ตามครับอะไรที่เป็นของประธานเกี่ยวการอัศจรรย์เช่นการกระทําการอัศจรรย์หรือผู้ทําการอัศจรรย์นะครับก็จะมีเรื่องของการพูดภาษาแปลกๆนะครับจะต้องมีการแปลของประธานในการรักษาโรคก็ต้องมีการยืนยันการหายนะครับของประธานของการ เผยพระชนะนะครับก็ต้องมีการยืนยันตามพระคมภีร์และก็ความถูกต้องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือความเข้าใจที่จะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้มีหลักคําสอนของพระคำพีเกี่ยวกับการอัศจรรย์ซึ่งจะทําให้เกิดความกระจ่างในการพริจารณาและตอบคําถามนะครับแต่พี่น้องครับคริสเตียนผู้ยึดถือพระคัำพีนั้นนะครับไม่สามารถที่จะบอกว่าการอัศจรรย์ไม่เกิดแล้ว ในะนะค่ะเดียวกันคริสเตียนที่ยึดถือพระมพีก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าการอัศจรรย์นั้นได้เกิดตลอดเวลาโดยที่ว่าไม่มีวัตถุประสงค์นะครับนันเป็นการตกขอบทั้งสองขัวอะไรทุกอย่างก็เหมาอันเป็นการอัศจรรย์นะครับหรือการรักษาโรคทุกอย่างทุกชนิดนะครับที่เราเห็นเกิดขึ้นนะมาจากพระเจ้าอันนี้ก็ไม่ใช่เสมอไปพี่น้องครับ ผมเคยสรุปแล้วนะครับอาจจะมาจากมารซาตานก็ได้นะครับอาจจะมาจากคนธรรมดาคิดไปเองก็ได้มโนเอาเองครับหรือในกรณีสุดท้ายก็คือมาจากพระเจ้ามาจากพระคุณของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีหลักในการยอมรับหรือไม่ยอมรับอย่างไรพี่น้องจะต้องใช้วิจารณญาณพี่พี่น้องจะต้องใช้การส่งนำของพ่องยานบริสุทดในการที่จะดูเรื่อ ง, องต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับ ความคิดที่เกินหล่อเลยนะครับหรือตกขอบนี้ต้องระวังเราจะต้องมีพระเจ้าของพระเจ้าเป็นพื้นฐานในการดูนะครับในการตัดสินใจที่จะเลือกรับหรือไม่รับเราจะต้องมีความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์พิเศษที่เหนือธรรมดาผิดปกตินะครับหรืออาจจะเป็นวิธีที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยําแดงให้เรารู้จักการอภิญญานนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดครับแต่ว่าต้องมีวัตถุประสงค์ ก็คือนําคนรับเชื่อหรือขยายแผ่นดินของพระเจ้านะครับความคิดที่ว่าการอัศจรรย์ทั้นหยุดแล้วก็เป็นความคิดตกขอบอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับเพราะคนเหล่านี้นั้นมักจะเป็นรากฐานของคนที่ไม่เชื่อการอัศจรรย์และเชื่อว่าไม่มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกแล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่เห็นด้วยเพียงครับในขณะที่เรายืนอยู่ในจุดของพระคัมภีร์ที่ถูกต้องนั้นเราควรจะต้องมีจิตวินิจฉัย นะครับซึ่งเป็นของประทานอย่างหนึง่งเ้าเรียกว่าของประทานแห่งการสังเกตวิญญาณครับเราต้องรู้ว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในรูปลักษณะของการเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของแท้อะไรเป็นของเทียมอะไรเป็นของปลอมอะไรเป็นของคนทําขึ้นมานะครับเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนี่คือสิ่งที่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้ พระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีของประทานเรื่องของการแยกแยะครับเป็นของประทานเรื่องว่าเป็นของประทานที่สังเกตวิญญาณนะครับสังเกตว่าอะไรมาจากไหนครับอะไรมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรมาจากพระเจ้าอะไรที่ไม่ได้มาจากพระเจ้านี่คือของประทานเรื่องการสังเกตวิญญาณซึ่งต่างๆตรงนี้ครับพระเจ้าประทานให้ทุกๆขึ้นจักรจะมีของประทานนะครับของประทานนี้ คือของผู้ทานที่จะแยกแยะครับแยกแยะคําสอนที่ถูกออกจากคําสอนที่ผิดแยกแยะคําสอนที่เทียนนะครับออกจากคําสอนที่ตรงตามพระเจ้าของพระเจ้านะครับคนต่างๆครับก็ไปรับจากสิ่งต่างจากข้างนอกนะครับทั้งโลกบ้างนะครับนอกเคริ่องจักรบ้างหรือคริ่องจักรอื่นๆบางครื่องจักนะครับที่อาจจะมีความคิดบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับพระมุที ตรงจุดนี้นะครับพระเจ้าต้องการและพระเจ้าประทานผู้ที่มีของประทานในเรื่องของการสังเกตวิญญาณหรือมีจิตวินิจฉัยเพื่อที่ให้ทิชจักของพระเจ้านั้นได้หลุดออกจากจากคําสอนเทียมเท็จคําสอนผิดคําสอนเพียนนะครับหรืออะไรที่เป็นมนทินที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกแกะของพระเจ้าในทิชจักรนั่นเองขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรพี่น้องที่ละทุกท่านครับให้ทิชจักของทุกๆ ท, ท่านนั้น จะปราจากคำทำสอนเทียมเท็จคำสอนผิดเพี้ยนและคำสอนที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่ของพระเจ้าอาเมน